การแปรรมหากสติปัญญาเห็นสภาพอาการต่างๆมันเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเดินทางมีพัฒนาการ ยิ่งถ้าผ่านได้ผ่านสภาพทุกสภาวะ ท, ทุกที่เราเคยหลงมาอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกั น, นเนี่ยแสดงเป็นการเดินทางสูงม่มรรคผลนิพพานแน่ๆอยู่แล้ว <c oughs> เห็นทุกเห็นเหตุเห็นสภาวะที่มันเดินผ่านทางผ่าน ไม่ติดไม่ยึดหรือติดยึดแต่ว่ามันรู้ได้ปัญญามันมีอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักบวชธรรมธรรมะธรรมชาติมีคุสุลธรรมอกุสลธรรมมินิวรธรรมหลานการจิตแต่าสามารถที่จะรู้สึกตัวได้ไวสังเกตได้ไว เรามีพลังพลังของความรู้สึกตัวผ่านก็เท mm hmm. ่าว่าการปฏิบัติให้ผลมีผลหนึ่งวันสองวันสามวันหนึ่งปี2ปีสามปีมีผลความทุกข์ลดลงถ้าเคยแบกหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจสับสน ลังเลยสงสัยไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นมาอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมที่มันให้ผลเราก็สัมผัสเอาคําสวดอยู่ในหนังสือวเวลาเราปฏิบัติมันอยู่ที่ตัวเราเป็นคําตอบเกิดความมั่นอกมั่นใจในตัวเราตัวกลางที่มีความรู้สึกตัวมันจะมีคําตอบแต่เราแยบกาย เราสามารถสัมผัสทาที่ละเอียดเป็นธรรมชาติความคิดอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นอาการของจิตเป็นทุกไปในจิตใจ ค, ละละละลคิดแล้วกอดแล้วลบแล้วหลงคิดแล้วรักแล้วช่งพวกนี้คิดแล้วสุขทุกพอใจไม่พอใจยินดีร้ยายพวกนี้เราจะเห็นความคิดจักยาไปหาละเอียด จนกระทั่งมันเหมือนกัว่ามั่นใจว่าอันนี้แหละคือรังของความทุกข์เรียกว่านัตตาเอาไว้ไดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดถือไม่ได้แล้วมันจะมีหลักอีกหลายอย่างมารับรองเช่นหลักวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละแตบางทีวิทยาศาสตร์ก็สรุปของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ตรงนัก พุทธศาสตร์ธรรมชาตินี่มันเห็นตรงๆเป็นสภาวะอาการต่างๆที่เราจะได้สัมผัสอย่างเช่นความคิดนวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีความเร็วสูง1 8, 8ึ0 0 0สมันไมต่อวินาทีหรือว่า3 1 0กับยกกลังหรือเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเขว่าอ้างอย่างนั้นหรือว่า 3, 000, 000, เชื่อว่าไอา้ตายพูดจริงว่าสิ่งใดที่ไวกว่าแสงถึงนั้นไม่มีตัวตนความคิดนิวัยกว่าแสงเส็ดเจ็ดเท่าของพรมาภูมแต่ว่าสติมันไวกว่าความคิดไอ้ น, นี้พุทธศาสดก็รู้เรก็รู้ชัดด้วยสติคือการรู้รู้นิวัยความพบความชาัด แ, แปอดีแปอนาคต มันระลึกได้สามวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรก็ตา ม, มันระลึกได้จิตมันไปไวนะไปไกลแล้วก็รวดเร็วมันก็จึงได้เห็นขณะที่เราได้กลับมาดูตัวเราดูตัวกายดูตัวใจภาษาศาสตรนาเรียกว่าสังขาร แหลงก็มูลแล้วสัญญาจำได้หมายรู้ตัวรู้ได้ไวแล้ววิญญาณรู้ได้ชัดต่างตาหูจำโมเลนกายใจใจแล้วมโนวิญญาณปริศนาก็มีภาษาเรียกแล้วก็ลักษณะของปัญญาคือสามารถเทียะอุดรู้ล้วนความหลเลสงสัยสับสนหรือว่าเห็นทุก์แต่ว่าผ่านทุกข์ไม่ได้ ปัญญานะก็เหมือนกับเรือมันรั่วแล้วเชันไปอุดมันอย่างนี้นะมันก็ใช้ได้ต่อตัวกายตัวใจ ต, ตัวชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีปัญญานะปัญหาเกี่ยวกับทุกขนะเช่นกายเป็นโรคเนี่ยนะเป็นทุกข์ของกายของวัตถุรูปธรรมรูปขันมันก็เยียวยาแก้ไขรักษานะพระเจ้าก็บําเพระฉันดามุดเนา่า แต่ทางวิศาสตร์ก็มียาปฏิชีวนะมากมายโลกของจิตใจพระเจ้าก็บอกว่าให้มีสติสมัมปจญยะบาลมีสติสมัมปจญยะมันก็เห็นอาการอารมณ์ความคิดหันปรุปงปรุงแต่งแต่งมันก็รู้ได้ทันได้ไวเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ทันไม่ไวเพราะว่าเป็นแค่ปุถุชน ปุถชนคนสามันธรรมดาธรรมดาหลงโลกแบกโลกไว้ทั้งใบการกินเกียรติวัตถุ ก, กรรมคุณวัตถุนิยมบริโภคนิยมมากมายเหลือเกินที่มันทำให้เราหลงเพลออานาจนิยมแต่ตอนนี้มันมีสติสัมปัญญามันจะรู้ลสิ่งเหล่านั้นก็คือความคิดเป็นภาษาในสมองเอาไว้ได้ จะต้องยึดเอาความคิดต่างๆเรียกว่าอุปทานเป็นลักษณะของยึดในกามเรียกากาลมุปาทานอย่างนี้ยึดถือเอาคำพูดเอาตัวเอาตนแล้วอัตตว่าทุปาทานมีความเห็นแล้วก็ยึดความเห็นของเรามั่นคงแล้วก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานมันจะเกิดขึ้นไหมเราไม่รู้เท่ารู้ทันก็แบกเอาไว้เป็นคนหลงโลกแบกโลก ทุกแบกโรไว้ทั้งใบแบกโลคแบกหลานแบกบ้านแบกทรัพย์ซึ่งมันเป็นเรื่องของโลกใบนี้มีนินตามีสันเต๋อมีลาบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เอแบกเอาไว้นยึดเอาไว้เมื่อเรามีปัญญามันเห็นเห็นความทุกข์ที่เราเคยหลงมาเกิดจากความคิดก็มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวมันก็มังคั่งขึ้นมา มีฐานนะคือมามีฐานที่ดีอ่นะฐานกายฐานเวนาะฐานจิตฐานทําเป็นฐานที่ดีเนะคลื่อนไหวรู้สึกตัวกายเกินไหวก็รู้สึกตัวมีเวนาเกิดขึ้นมาที่กายมันก็เ่อนไหวเหมือนกันแหล ะ, นะ ะ, ละลก็รู้สึกตัวมีอาการของจิตที่มันคิดก็เคลื่อนไหวเหมือนกันนั่นแหละแต่ละเอียดลมก็รู้สึกตัวธรรมชาติสัจสาสิ่งสนะายลมแสงแดดก็เคลื่อนไหวเหมือนกันนะเราก็รู้สึกตัวเหมือนกัน ตากระทบกับรูปเนี่ยมันก็รู้สึกตัวรูปก็มีอาการกิริยาของเขาเนีจิตใจก็มีอาการแล้วก็รู้สึกรู้ภายนอกรู้ภายในเนี่ยอันนี้คือสติปัญญาผู้ดูตาในของเราที่มันเห็นปัจจัยต่างๆกระทบสัมผัสมีความรู้สึกตัวนั่นนะนั้นจึงเป็นความรู้สึกจากหยาไปหาละเอยียดเป็นการเคลื่อนไหวแม้กระทา่งการนิ่งก็คือการเคลื่อนไหวนิ่งนะ เคลื่อนหุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดนะพอมีการหยุดจะมีการเคลื่อนพอมีการเคลื่อนจะมีการหยุดนะอันนี้นคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวคือหยุดเหมือนกับเส้นตรงเหมือนกันเส้นตรงนี่มันคือจุดแต่เป็นจุดที่ถี่มากเส้นตรงเนี่ยวิทยาศาสตร์บอกว่าคือเส้นที่ลากจากจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบอกไว้ฉัน เม sure. ืันคือจุดที่ต่อๆกันไปเป็นจุดที่ซ้ำๆๆๆๆๆๆๆต่อๆกันไปดูแล้วเป็นเส้นตรงเะมันจึงเป็นภาพลวงตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเกิดดับะเหมือนกับหลอดนีออนที่เราเห็นเหมือนกันฟลูออเรสเซนอย่างเงี้ยนะเหมือนกับมันสว่างอยู่ตลอดเวลาที่ไหนๆมันเกิดดับอยู่เป็นกระบวนการเกิดดับที่ยิบเลคือกระบวนการเคลื่อนไหว เหมือนกับมันนิ่งแต่มันก็ไหวอยู่ตลอดเวลาเราบอกเรานั่งนิ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่นิ่งรูปรขันก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีลหมหายใจมีเซลล์ต่างๆที่เราก็สัมผัสได้ยิบยิบ ย, บ ย, บยบิรู้สึกได้ละเอียดเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่นิ่งหรอกแต่การที่เรานิ่งมันเป็นความสงบทําให้เราเห็นอาการต่างๆที่ละเอียดได้ชัด ตอนนั้นเองแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เห็นมันไปติดความสงบมันอร่อยมันรู้สึกมันได้พักเป็นความขี้เกียจถ้าได้พักรู้ว่าพัก น, นิ่งเป็นลนักษณะของฌานฌานที่มันพักมีความสุขระดับต่างๆเกิดขึ้นไหมความซาบซ่านปีติประสิทธิอิ่มอกอิ่มใจมันมีความสุขให้ถ้าเราไปหลงมันก็เป็นความทุกข์อีกเหมือนกัน เรียติดสุขนะนะติดสุขแต่มันเป็นความสุขที่มันไม่ได้นะอือพาเราเดินทางนะเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากนะเราใช้วัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามภายนอกนแต่เป็นวัตถุหนึ่งสองสามภายในก็คือทาตุสี่กันห้าของเราเนี่ยนะเราก็ได้ใช้เห็นความสุขนะภาษาศาสนาเรียกว่า ปุตตะสมะสุขอะไรต่รางๆเนี่ยนะเป็นสุขนะที่จิตของเรามันสงบนะมันมีสุขอีกตัวนึงก็คือเกิดจากปัญญายานของเราปัญญายานที่มันเห็นอาการต่างๆปัญญาที่มันเดินทางเราจะรู้สึกปลอดภัยเป็นชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากวัฏฏะสงสารก็คือความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ อันนี้มันเป็นระนากรองอนาตตามาเห็นสภาพที่มันยึดถือไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนมันก็เลยสบายเป็นอิสระจากความคิดเป็นสภาพที่ไม่ห้ามความคิดนมันคิดขึ้นมาแล้วอเดี๋ยวมันก็หายไปเแล้วมันคิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวอยู่นรู้สึกว่าคิดอยู่ไม่ได้ทําตามความคิดยเมันแยกแยะได้หรือว่าบางทีนี่มันมี อารมณ์ต่างๆที่เป็นจริตนิสัยที่นอนเนื่องอยู่บนทินเครื่องเศร้าหมองมันก็ถูกกวนขึ้นมาเป็นอารมณ์ต่างๆที่เคยมีลักษณะเกียรติกรานมีควา ม, มเบื่อเมันจะแสดงออกมาความเกียดติการความเบื่อยกมือไม่ได้น네ะถ้ายกมือมันจะเหมือนกันเหนื่อยมากมันเหมือนกันหนักมากประเภท น, นี้เดินจงโกงก็เหมือนกันเหนื่อยมากหนักมากเดินไม่ได้แต่จะเดิน เทียเ่ยวเที่ยวได้ทั่ววัดนะเดินไปเดินตามตลาดเนี่ยเดินได้ตลอดนะเปิดท้ายขายของแล้วเดินห้างเนีเดินได้ทั้งวันเที่ยวงานวัดเนี่ยเดินได้ตลอดนะเราก็จะได้เห็นว่าเดินจงกลมเนี่ยนะมันก็ฝึกฝืนทีเดียวนะที่จะทนทําซ้ซําๆอารมณ์จจืดๆที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างปฏิบัติแนตะ่ท้ายสุดมันกลายเป็นธรมนะรมรสตัวนี้มนเป็นภารณุภาพนะ ของพระพุทพธพัรรมพระสงฆ์อนุภาพของพระพุทธจิตมันจะตื่นถูกปลุกขึ้นมาจากมลทินเครื่องเศร้าหมองมันเป็นความระนิดละเอียดแล้วก็รู้สึกอิสระภาพอาการต่างๆก็ได้คำตอบอันนี้มาเห็นด้วยปัญญาว่าการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงของกายรั้วการของจิตใจของนมธรรมต่างๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนะ มันไม่ไม่ไม่หลงเข้าไปนะเพราะว่าสภาวะผู้ ด, ดูมันก็อีกจุดนึงอันนี้นเป็นพบโพมที่สูงนะเป็นจุดรู้จุดดูนะดูดูแลเห็นไม่เห็นอาการต่างๆต า, ต า, ต า, ตาความเป็นจริงนะี่นะและไม่เข้าไปเป็นคือสภาวะที่เกี่ยวข้องถูกต้องนะหรือมันจะเป็นก็ได้นะยึดถือก็ได้แต่ว่ามันถือพร้อมวางก็คือการทําหน้าที่ต่างๆการคิดการพูดการทำํำนกะิจวัตรประจําวันนะ ที่เราได้นะทำแล้วก็สามารถเข้าสู่กรนะบวนการของธทมในระดับต่างๆนะเช่นกฎของธรรมชาตนะิกฎหมายบ้านเมืองนี้นี่วินัยนะนกฎกติกานะกรอบหรือว่าข้อตกลงต่างๆนะมันอยู่กับสมมตุตนะิแบบเหนือสมมุติหนะรือว่าอยู่กับสมมติแบบใช้สมมุติเนะลยยึดถือพร้อมปล่อพร้อมวางต่างๆมันก็เป็นความจริงนะเป็นความฉลาด เป็นปัญญาที่เห็นระนาของอาการต่างๆความทุกข์ต่างๆแล้วก็ไม่หลงไม่หลงเห็นแล้วได้คาตอบนะการเคลื่อนการไหวสิบสี่จังหวะเดินจงกลมหรือว่าหายใจเขาออกพุโทโหรือว่ายุบหนอปองหนอต่าง ๆ, ๆเราจะได้เข้าใจระบบของมันระบบของสมถกรรมฐานระบบของวิปัสสนากรรมฐานไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีสมถะไม่มีสมถะก็มมะ ไ, มมมะะไม่มีวิปัสสนา ไม่มีทุกข์ไม่ว่ามีออกจากทุกข์ไม่มีอันภานก็ไม่มีนิพานเกิดขึ้นมาไม่มีภาละก็ไม่มีนิพานนะเป็นสิ่งเดียวกันยึดถือพร้อมปล่อยพร้อมวางยึดถือพระพุทธยึดถืออระธรรมยึดถือพระสงฆ์แต่ถ้าถือแบบม้วหลงอมไ ง, งเป็นมงคลตื่นกล่าวกลายเป็นเรื่องของ ยึดถือแล้วก็ติดยึดนะกลายเป็นความทุกข์ทะเลาะเบาแหวงกลายเป็นเรื่องเขาเขาเราเราเป็นเรื่องที่ท้ายสุดก็กลายเป็นเรื่องของการเดินทางสู่ความเสื่อมเหมือนกันถอยหลังแต่ว่ามันมีนะคําพูดว่าธรรมการโมประวังโหหินะผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญนะมันก็ตรงกันข้ามกับผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนะถ้าเกลียดชังการกระทํา มันก็เป็นผู้เสื่อมนะการกระทาในโลกนี้ทั้งหมดนะนะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณนะ์เรียนถูกเรียนผิดไอนะ้ถูกบางคนอาคติก็ว่าผิดไอนะ้ผิดบางคนอาคติก็ว่าถูกนะมันเป็นสิ่งเดียวกันนะเราก็จึงเห็นตัวเรานะบางทีกระทาถูกบางทีกระทาผิดนะบางทีกทนะระทําล้วเสนอว่าไม่ถูกไม่ผิดนะมันมนะีเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วประพฤติปรมจร์ตัวเนี้นะ เราก็จึงมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันให้สมกับชาวพุทธนะที่รู้จักหนาวิชาอุปัฏฐนาเรารู้จักครูบาอาจารย์แล้วรู้จักหลวงพ่อที่เราให้ความเคารพหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสดหลวงปู่ชาหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายจึนั่งมาถึงยุคหลวงพ่อเที้ยหลวงพ่อมัเขียนแล้วให้ความเคารพศรัทธาเริ่มไสเราเริ่มใสเคารพประพฤติวัดธรรมประสงค์นันะ ยำแกงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เราก็น้อมเข้ามาใส่ตนปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับกลับมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นปัจจุบันเป็นปกติทุกครั้งที่รู้สึกในการเกิดการไหวจิตก็มีสภาวะปกติของธรรมแสดงออกมาเป็นธรรมรสรู้จืดจืดรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยเป็นธรรมรสมันเป็นรสชาติของธรรมชาติ ที่มี่แล้วเป็นกฎของกรรมฐานเราปวิบัติรรมันมีกฎมันอยู่เช่นวางกายวางใจดีๆแต่ใหม่ๆมันก็เก๊กก็เกงนันะคนทาอะไรใหม่ๆมันก็เก๊กเกงนันแหะเขียนปากกาเอาปากกามาอยู่ในมือแล้วก็เขียนตัวหนังสือมันก็เก๊กเกงวันแรงเหมือนกันฝึกหัดเอาดินสอมาใส่มือก็เหมือนกันมันก็เก๊กเกงฝึกหัดหรือว่าขับรถมันก็เก๊กเกง ทำอะไรก็ตามตันแรกๆอาจจะฟ้อนจะลำ น, ะนาทศสินดนตรีต่างๆนะจับเครื่องดนตรีสัทีมก็แก๊กก็เก่งนะแต่พอฝึกบ่อยๆนะมันก็จานานไปเองนะเครื่องมือช่างเหมือนกันลองหยิบลองจับค้อนตีตะโพกแก๊กเกงตีไม่ถูกเผล อ, อมันจะไปโดนมือนะเล็งดีแล้วจับดีแล้วนะตีลงไปมันก็หัวแม่มือก็เขียวเจ็บปวดนะอันนี้เป็นเริ่มต้นของการฝึกหัดแต่ว่าไม่เข็ดนะ ทำซ้ำๆทำซ้ำๆเหมือนเด็กเวลาฝึกการฝึกยืนเราก็จะเห็นตั้งไข่ตั้งไขนะ่แล้วก็เชียร์ลงไปก็ลมลุกคลานผสมควรทีเดียวนะลุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆุกนละุกเชียร์โอ้เก่งเก่งงเกงโอ้เก่งจริงๆตบมือให้เชียร์กันนะมันก็จะมีอาการพวกนี้เราก็เชียร์ตัวเองเวลาปฏิบัติธรรม มีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ชวนทําแล้วก็เชื่อเชื่อ ว, ว่านะครูบาอาจารย์ท่านกระทำอย่างนี้แล้วท่านก็รู้จริงๆรู้จนทั่งท่านรู้สึกว่ามีอิสระทางจิตวิญญาณขึ้นมาทําอะไรก็เป็นอยู่เหนือโลกขึ้นม า, า, าเหนือสมมติบัญญัติเราก็ได้เห็นท่านกับนาตาการแสดงออกะไหวพริปฏิพาณหรือว่าลักษณะของความพองใสแจ่มใสนะในเจ็บป่วยนะ จะมีความเจ็บใส่ลาเหลืองอาดหาใหนในทํำมืดม า, าเช่นฝั่งของควมเขียนนั่นพูดว่าสนุกป่วยไงนะสนุกป่วยมันเป็นยังไงเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเราปฏิบัติธรรมในบางทีผู้สูงอายุหรือไม่ต้องผู้สูงอายุในะบางทีนะเด็กๆก็เป็นเหมือนกันนั่งก็โวยลูกก็โวยนั่งนานๆก็เจ็บปวดไม่รู้จะทํำยังไงาการเจ็บอาการปวดแลว้วเห็นทุกข์ เห็นทุกข์แต่ออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่เห็นเหตุของมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวยังไม่มากพอหรือว่าสติสัมปชัญญะนะมันยังไม่ว่องไวเป็นไวพิปฏิพานพวกนีนนะ้เราต้องฝึกต่อไปอย่างเงี้นนะบางทีเราก็ต้องเชียร์ตัวเรานะเห็นว่าอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์นะที่เราเห็นแล้วแต่ว่ามันยังผ่านไม่ได้ เราต้องฝึกฝืนฝึกฝนปาลกรความเปลี่ยนม้นมีความอดทนมีขันติมีตบาบะลงไปไม่ท้อแท้บางทีก็น้อมเอาคำของพูะเจ้าที่เรามีความเชื่อเนี่ยคือคำพูดของพระเจ้าเข้ามาใส่ตัวเช่นใบวิสาขาบูชาที่ผ่านมาหลังจากฉันข้าวของนางสุชาดาท่านก็ขอนั่งเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากที่ร่างกายมีเลี้ยวมีแรงนะขึ้นมาใหม่ก็คิดว่าครั้งเนีนะ้เราก็จะขออธิษฐานจิตว่าถึงแม้เลือดเนื้อนะจะเกิดแทงไปจากสรีแลนะกระดูกหนังเอ็นพวกนี้จะผูพังไปจากร่านะงกายนะผูพังไปตัวชีวิตเราก็ดับศูนย์ไปนะเราก็จะไม่หยุดทําความเพียนเสียนะนะเราก็จะแสวงหาหมรรคธรรม ลักษณะของธรรมที่ควรรู้ควรเห็นด้วยเรี่ยวแรงของนะบุรุษนะบุรุษก็คือมีกำลังะนะมีกำลังในการทำความเพียนะถ้าเราไม่บรรลุอนุตตลัสัมมาสามมัมพุทธิยานะเราจะไม่หยุดทำความเพียนเสียนะถึงแม้จะตายไปก็ตามอันนีน้เราก็เชื่อว่าคำพูดนี้นะมันมีอยู่จริงนะเมื่อสมัยพุทธกาล 2,600 ปีที่ผ่านมา เราเชื่ออย่างนี้เราก็ลองทําดูที่เรียกว่าอยากรู้อย่างพระเจ้าก็ทําทอย่างพระเจ้าเหมือนกับอยู่มาวันหนึ่งที่ผมเลอธรรมมาเคยเก็บอารมณ์ก็เก็บเองนะเพามาที่นี่หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องศีลไปอยู่สุขโตสร้างความรู้สึกตัวคือบวชก็อยู่ที่วัดภูเขาทองนีวัดภูเขาทองกุติเอ๋ธรรมปาโลอ ทีนี้อยู่ที่นั่นเราก็เดินตงจงกรมด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่ตอนก่อนบวชแล้วจนทั้งถึงวันบวชบวชวันแรกเนี่ยโอ้มันปิติใจมากนะได้แต่งผ้าเหลืองได้แต่งชุดนักเรียนในเรื่องแบบมันมันอิ่มใจนมันก็ปฏิบัติทันทีต่อเนื่องเชื่อมโยงข้าวก็ไม่หิวลุงพ่อท่านก็เดินมาบอกจงศิลปไปสุขโตเนี่ยขท่านก็ส่งมาที่นี้ แล้วก็ให้รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องคําพูดของท่านนะแล้วก็ฟังแล้วเราก็มาทําก็คลั่เมาอะนะรู้สึกตัวมันเป็นยังไงเราก็ยาามที่จะจับประเด็นแล้วก็ทําความรู้สึกตัวให้ปรากฏขึ้นมาให้มันเป็นคําตอบในจิตในใจของเรานะเสร็จแล้วพอทําทไปทําไปมันก็มีเพ่งจ้องบ้างเคกเ ก, ก่งบ้างเบื่อบ้าง บาปรับตัวเข้าอากาศเข้ า, าจิตกิจวัตรประจําวันเข้ากับอาหารอีสานการขบฉันต่างๆเข้ากับรูปแบบของการปฏิบัติเข้ากาับเวลามันก็ปรับตัวทีเดียวนะเข้ากับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาราสิ่งปรับตัวเข้ากับเสนาสนะที่พักว่าเราเคยอยู่ที่สะดวกสะดวกบันไดก็ตามหลักของมาตรฐานการออกแบบนะบันไดต้อง กว้างไม่น้อยกว่า25เซนความสูงของขั้นไม่ไม่ไม่น้อยกว่า 12.5 เซนมันก็ขึ้นสบายลงสบายมาเจอไอ้ไม้น้าสามก็ตีไว้แล้วก็เอาเหลี่ยมออกด้วยนะก็ต้องปรับตัวทับพาดกับหน้าแข่งบวมถลอกปอกเปิกกระดูกแตกก้าวก็ต้องพอดีๆอดีว่ามันตีไม่เท่ากันก็ทุกก้าวต้องระมัดระวังกุตี15 เรต้องปรับตัวพอสมควรประตูกะเตี้ยบางทีเราเผลอสตินะประตูก็สูงแค่ร้อยห้าสิเซนเราสูงร้อยเจ็ดิเซนแล้วลืมก้มเราก็เป่งก็ให้แล้วก็หัวไม่มีผมมาลองนึกดูลน่ลนๆอย่างเงี้ยกระแทกทเตียงก็ถลอกปอกป ก, ก็ต้องปรับพอสมควรหน้าต่างก็เหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งห้องนอนก็เหมือนกันมันแคบๆห้องมันเล็กๆเจ็ดคูณสิบสองคือประสกุลดย่างเงี้ย ต้องนอนทแยงนะเพราะาเราสูงประมาณ170นะไอ้กุฏิเขาสร้างไว้ประมาณสองเมตรเงี้ยนอนหัวท้ายดินไม่ได้เลยนะมันมันโดนพอดีมันชนนะเพราะว่าฝาสองเมตรภายนอกมันเข้ามาข้างในประมาณสิบกับสิบเซนเนะี่ยมันก็เหลือประมาณ180เซนนะวางของวางอะไรก็พอดีแลนะ้นอนไม่ได้ก็ต้องทแยงนะก็เรียกปรับเนื้อปรับตัวพอสมควรแล้วก็ทีมกันก็คือ การหลับการตื่นเนี่ยเราต้องตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็นอนแต่หัวค่าเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเคยนอนดึกๆึกเลิกเคยนอนเกือบเช้าแล้วเนี่ยต้องมานอนไว้นะมันก็ปรับตัวพอสมควรทีเดียวโดยเพราะความคิดมันมากมายแล้วก็รักลูกรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักการงานรักหมายความหมายหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของ ความผูกพันซึ่งกันและกันเรียกว่าหวงหาเรียว่าความหิวโหวยเคยได้ก็ไม่ได้อยากเย็นได้ร้อนอยากร้อนได้เย็นพวกนี้อยากเผ็ดได้จืดอยากจืดได้เผ็ดอยากเปรี้ยวได้หวานพวกนี้มันเหมือนกับว่าเราเลือกไม่ได้เลยชีวิตมันก็ปรับตัวกลมเกิ น, นกลมเกินเข้ามาสถานที่ที่เขาสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำแล้วก็อยู่ทต่ที่ลาบมาจาังหวัดระยองมีทตทีรลาบส่วนใหญ่นะ จะมีภูเขาอยู่บ้างแต่ว่าส่วนน้อยเนินนอนนี่พอมีมาอยู่ที่นี่มันขึ้นเดินลงเนินอยู่ทั้งวันพื้นที่วัดป่าสุกโตที่ลาบเนี่หายยากมีแต่เนินขึ้นขึ้ น, นลงลงสลาหน้าก็เป็นเนินนะเป็นตะลิ่งชันลงไปนะลงสู่สะสลาหอไต้ก็ตั้งอยู่แต่ว่าเดินมาทางถนนก็ชันเดินลงไปล้างบาตก็ชันลงไปะ ตอนหลังแนวดิมมตมปรับให้มันล่ามเพราะคนหมู่มากกาอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวทีเดียวนะเดินขึ้นลงภูเขานี่ลื่นเนพะรฝนตกในเดินก็ต้องหงายหลังตลอดก็ปรับตัวอยู่นานนะบางทีก็เห็นว่ามีภัยพอไปเดืธดทำสักระยะนึงเกิดอารมณ์บุญขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมาเกิดวิติอยากกตัญญูตอบอย่างนะั้นทำความดีให้กับวัดกว่า ก็เอาแผ่นพื้นอามันหล่อปูกนกะ็จำนวน700แผ่นนะก็แบกไปไวันละแผ่น2แผ่นแบกไปวางแบกไปวางออกมาชั้นข้าวเสร็จก็เท ป, ปูนเผื่อไว้นะที่สารหน้าพอชั้นเสร็จก็แบกไปแผ่นเสร็จแล้วก็กลับมาแบกสักแผ่น2แผ่นแบกไปเรื่อยๆจนปูนะตั้งแต่ปากทางนะีจนถึงนนกุฏิเอ่อสิ ก็ทำเนี่เป็นแรงบุนั้นพอทําลําเกิดบุญขึ้นมาก็ปรับนืปรับตัวทําอะไรได้เกิดกําลังใ จ, งใจเกิดคุณค่าในการที่อยู่ที่นี่ก็ต้องทําทําดีนะทำที่สำคที่สำคัญก็คือการปฏิบัติทำตัวเนี้มันจะได้เห็นนะโอ๋บางทีมีดีแล้วก็หลงดีมีบุญแล้วก็หลงบุญมันติดบุญตรงนั้นมก็กลายเป็นความเมื่อสีขาวมันมีอยู่จริงๆ ความมืดสีดําก็คือเราเคยคิดช่วยพูดช่วยทาช่วยมันเคยทํำมารักสิ่งไหนก็ร้ายใส่สิ่งนั้นนะเคยทํามารักมากเกลียดมากเป็นรักรักถึงที่สุดแนตะ่ะเกลียดให้ฆ่าได้เคยทํามามันเป็นเรื่องที่พอเรามาเห็นตัวเองแล้มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราแล้วมนทินเครื่องเศร้าวมองหรือว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยที่เราติดยึดเช่น เรายึดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะยึดถือเอายึดจนกระทั่งมันเป็นความงัวยึดถือวัตถุนะยึดถือพระพุทธก็กราบก็ดนทองคำโดนทองเหลืองโดนปูนปั้นอะไรแบบนี้นะหรือว่ากราบพระธรรมก็เชื่อยึดเอาในตํารางเงี้ยเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทกเถียงกันตายเลยถ้าอ่านประโยคไหนแล้วใครพูดผิดเดี๋ยวเด้เถียงกันแน่เรายึดเอาตํารายึดเอาระบบความจำํำเรียกว่า ไม้แดงดูนอกไม่ออกสีข้างในมีสีแดงดูแข็งขันคนมีธรรมะจำกรวดมาอวดกันเกทับกันนะสนใจนั้นซ่อนเนบตะเข็บในตัวนั้นนะเราได้เห็นเวลาบทสนนาเกิดขึ้นมาเรื่องธรรมะถกกันอยู่นั่นนะลืมดูตัวเองลืมดูสภาวะของความรู้สึกตัวทิมปรากฏอยู่นะกว่ราบพระสงฆ์เดินลูกพาชาวบ้านโดนบ้าเหลืองไม่ได้โดนสภาวะของสงฆ์ที่แท้จริง ที่ประพฤติดีแล้วปฏิบัติดีแล้วสมควรแล้วออกจากทุกข์แล้วนะเราไม่ได้กราบบคุคคลพวกนั้นเรากราบมัวไปเลยนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมือนกันแต่ว่ากราบแบบรถทิฐนะิก็ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องกราบได้ทุกคนไม่ต้งขอทานหรือว่าลูกของเรากราบได้บางทีลูกเราก็มีสิ่งที่ดีที่งามกว่าเราความรู้สุความสามารถดีกว่าเรานะกราบได้เหมือนกันพระพิฆาตสุทโธนา่ากราบความดีของ เจ้าใจสิทธะะแค่รู้ว่าดีนะก็กราบซะแล้วยะยะิ่งเห็นว่าดีนะโอ้มีความเย็นอกเย็นใจนะก็กราบซะแล้วนิ่งได้นะเอากราบซะแล้วเด็คนอื่นก็สุกสนกันะแต่เด็กใจสิทธะนั่งนิ่ง่ะโอ้น่าจะเคารพเริ่มใส่ศรัทธาะหรือว่ายิ่งมีปัญญาสอนให้เห็นนะท้ายสุดก็คือออกจากการยึด ต, ติดร่างกายรูปขั น, นเอ่เห็นนะ กระแสของมรรคผลนิพพานอย่างั้งเข้าถึงจริงๆนยนะตอนที่จะหมดลมหายใจใจจะขาดท้ายสุดพูะเจ้าก็ไปเยี่ยมนะพระเจ้าสุทโธทนะตามพุทธประวัติจะนะจงั้งพ่อนะหรือพระราชบิดาก็สามารถที่จะกราบลูกได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายเราเห็นแล้วโอ้งเหรอเนี้ยมันมีอยู่ ในจิตในใจของเราเนี่ยแหละขณะที่มีความรู้สึกตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็กลายเป็นว่าพอปฏิบัติมากๆแกพลอมมากๆนะันจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมานะก็คือสภาวะของสติสมาธิปัญญานะที่มันปรากฏขึ้นมาในภาวะของความเป็นปกตินะปกติรู้อยู่นะหนะรือว่ามีสติแล้วแลวอยู่นะมันมีอยู่นะแต่ว่าเคต้องแยกแ ย, กแยกนะอย่างเช่นเมื่อวานเราฟังหลวงปู่เทียนนะ หลวงเตียนท้าทายมากเลยอาหารมากเลยเมื่อวานเนี้ก็คือท้าทายใครทําแล้วไม่รู้อะไรนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีให้ทําอย่างนี้นะอย่างต่อเนื่องที่เดียวเคลื่อนไหวรู้สึกเดินจงกรมนีนะั่นคือคําพูดของหลวงพเตียนอย่างผมและทามาได้ยินอาจารย์สุรทัศน์นะเราก็ไม่รู้หรอกท่านรู้จริง ร, ร, รู้ไม่จริงแล้วไม่ได้สนใจแต่พอเราเก็บอารมณ์ปฏิบัติอยู่นะมันมีอะไรที่คนอื่นก็พูดนะเราก็รู้ทันทีน ถ้าไม่รู้เราจะทําทันทีว่ามันจริงหรือไม่จริงท่านพูดว่าการฝึกเนี่ยต้องต่อเนื่องนะยี่สิบเอ็วันท่านบอกไว้ว่ายี่สบเอวันมันจะเกิดนิสัยขึ้นมาท่านได้ยินได้ฟังมาเออท่านพูดว่าท่านได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่ตัวท่านนะเราก็สนใจในสายลุงูุชานะท่านบอกเลยว่าถ้าทําต่อเนื่อง21วันนะทำอะไรมันจะได้เกิดนิสัยขึ้นมาเป็นหลักวิชาศาสตร์เลย ละกับ้าวัดป่านั่นนะก่อนที่เขาจะทานข้าวเนี่ยก่อนที่จะฉันข้าวเนี่ยในสายวัดป่านะทุกคนก็จะกินมะเขือพวงเราก็ได้ยินมานะผ้าสายวัดป่านะก็ยาวมะเขือพวงใส่กละมังเสร็จแล้วก็อาช้อนตักกันคนละช้อนแล้วใส่ปากเคี้ยวกันกินข้าวแล้วก็เดิมน้ําลงไปเขาบอกเป็นยาายุวัฒนาเลยแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนะแต่ว่ามะเขือพวงนะได้ยินมาแต่ไม่เคยทําำ แต่ว่าไอ้21วันเนี้ยทำเราจะได้เห็นอารมณ์ของเราเลยวันหนึ่งเป็นไงวันสองเป็นไงวันสเป็นไงวัน4ี่เป็นไงวันห้าเป็นไงนะอย่างผมก็จะมาเนี่ยมันมันทดลองทําดูแล้วเห็นว่าเป็นจริงทําอะไรต่อเนื่อง21วันมันติดเป็นนิสัยเป็นนิสัยมันฝังลึกลงไปเลยเหมันก็วิ่งเหมือนกันถ้าวิ่ง21วันนะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันออกรำลังกายนะใหม่ๆออกก็เจ็บนะออกก็จับไข้เป็ด แล้วนปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายนแต่พอวิ่งต่อไปยี่เปิดมันมันทนขึ้นมามันสบายเนื้อสบายตัวขึ้นมาแต่พอหยุดมันก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วก็มีอาการเหมือนกับป่วยป่วยจากไข้เหมือนกันร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนกันแต่เริ่มต้นเป็นไงท้ายส่วนก็เป็นอย่างงั้นเหมือนกันเราก็ได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาทาวัดส่วนเหมือนกันพอเราทําต่อเนื่องเชื่อมโยงพอวันไหนไม่ได้ทํารู้สึกแปลกแปกไป ขาดอะไรไปก็ไม่รู้แกรวแสมันเกิดนิสัยขึ้นมาเราก็ได้เห็นแล้วออรู้สึกตัวก็เป็นอย่างนี้เป็นการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวพอไม่ได้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันรู้สึกแปลกๆไปถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะดูฐานไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้ดูไม่ได้รู้สึกตัวเรารู้สึกแปลกๆไปก็คือมันเริ่มตัวเรานะมีอาการต่างๆขึ้นมาใ น, ในจิตใจของเรามันจะหนักอึ้งขึ้นมาเราก็รู้แล้วออรู้ค่ขาของความรู้สึกตัวมันเกิดอย่างนี้ด้วยได้เห็นพัฒนาการของมัน ไม่แม้รู้กาเห็นไกายต่างความเป็นจริงมันเริ่มเห็นเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านได้มีพัฒนาการเห็นจิตที่มันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาําคิดเผอไปไอ้ที่ปวดเนือ้อเมื่อตัวมันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงความม่วงก็หายไปหายไปลดน้อยลงไปรู้ทันได้ไวขึ้นถึงไม่หายก็ไม่มีอานาจทําทอะไรเราไม่ได้เมื่อก่อนไกลพาเราไปนอนแต่ตอนหลังกลเป็นว่าพอมันง่วงมากุนๆเราเห็นอาการของมันมาแล้วกดหัวตรงไหนกดตาตรงไหน มันไม่ได้มีความหมายเลยสำหรับนักปฏิบัติเนี่แหะมันเกิดขึ้นมาก็เป็นปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ผ่านทันทีผ่านทันทีหลุดพ้นทันทีเพราะฉะนั้นนี่วเวลารมก็กักเราไม่อยู่นความหลงเลสงสัยแล้วก็ดำหลี่อยู่แล้วว่าความสงสัยคือความคิดนถ้ามันสงสัยขึ้นมาแสดงมันคิดแล้วมันออกมาจากความคิดทันทีไม่ถามจะไม่ถามตั้งแต่บวชมาในถาหลวงพ่อนะ ที่เป็นเรื่องการปฏิบัตินะนะอยู่ประโยคเดียวประโยคเดียวจริงๆก็คือหลวงพ่อครับอาการอย่างเนี้ยมันคืออะไรครับชื่อของมันคือมันมีอาการปรากฏดขึ้นมาแล้วก็อาการเนี้ยไปถามหลวงพ่อ่ามันชื่ออะไรเวลาท่านเทศท่านเทศเนี่ยเราก็ฟังแล้วเหมือนกับมันดีมากเลยแต่พอเราไปทําปั๊บเนี่ยมันคล้ายๆมันต้องเดินทางด้วยตัวของตัวมันเองนะเสร็จแล้วมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับที่พูดน ไอ้ที่พูดเราได้ยินได้ฟังจําเกิดศรัทธาขึ้นไหมแต่พอทําอาการปรากฏมันไม่ได้คําตอบปราสาเนี่ยเกิอะไรอาการอย่างเนี่ยภาษาธรรมกับภาษาคนพูดมันคืออะไรเราก็ถามด้วยาำนี้จะภาวะนี่ยคืออะไรครับหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าคือปัสสติเป็นภาษาบาลีนะท่านพูดนะเป็นปัสสติเราก็ต้องเอปัสสติมันคืออะไรนะอาการเป็นอย่างนี้ลำหมายกวบภาวะอะไรเนาะ อาการอย่างนี้เราก็ต้องมาคําดูเอ๊ะอาการอย่างนี้นเป็นยังไงพอมันเกิดขึ้นมามันรวมขึ้นมาจิตมันรวมตัวขึ้นมาเสร็จแล้วมันสงบเราก็มาแก่อ่อนนี่คือความสงบของจิตของใจเรามันมีที่อยู่มันด้วยนะมันเป็นภาวะที่มันรวมตัวอย่างสมมุติถามนะีคือรอยต่ออาการระหว่างสมองนกลางกระหม่อมของเราลากเส้นตรงลงไปแล้วลมหายใจไปชนเส้นเนี้ยะ มันก็โรคนี้มีเส้นสมมติแกนเแกนวาอย่างเงี้ยนะหลักวิทยาศาสตร์สภาพธรรมก็ไม่เวลาเราทำเราสังเกตเห็นเวลาจิตเราเอียงไปทางขวาเป็นยังไงจิตเราไม่ไม่ปกติเอียงไปทางซ้ายเป็นยังไงเวลามันปกติแล้วมันสูงสูงมันเป็นยังไงมันจะเป็นสภาวะธรรมหรือว่าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเงี้ยมันเป็นยังไงเป็นอาการโดยคิดเป็นบุญอาการแสดงออกมาคิดเป็นบาปแสดงอาการออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยโดยเวลาจิตมันง่วงนะอาการของจิตมันซึมมันเป็นยังไงเวลามันขี้เกียจจิตนเป็นยังไง รู้ว่เวลามันมีสติมันตื่นรู้อยู่มันเป็นยังไงสภาวะของสมาธิที่มันนิ่งยุหรู้อยู่อารมณ์เดิมเป็นยังไงรู้วปัญญามันเกิดขึ้นมามันเห็นแล้วมันแตกฉานขึ้นมาเป็นยังไงเนี่ตรงนี้เราก็ถามกันท่านก็ตอบแค่ประโยคเดียวแล้วท่านก็บอกว่าธรรมะของจริงไม่มีคําถามธรรมะของจริงจะมีคําตอบเกิดภายในจิตใจของตัวเองนะเลิกถามเลย เมื่อครูอาจารย์ท่านพูดดักไว้ไงเราก็รู้แล้วนะถ้านกำลังชี้ให้เราเนะี่ยพึ่งตัวเองให้ได้อัตตาเหีตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะนั้นเมื่อเราเคลื่อนไหวมือหรือว่าเดินจงกรมเคลื่อนไหวเท้าหรือว่าจะเคลื่อนไหวนอกรูปแบบอย่างไรก็ตามครูเหยียดเคลื่อนไหวอ ว, ว, วัยวะหันซ้ายแลขวาจะกินข้าวจะขับถ่ายต่างๆเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตรงนั้นนะมันจะเป็นรักษณะของการฝึกหัด ตนสอนตนยิ่งๆแล้วเราก็มีพัฒนาการจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันได้คําตอบไปในตัวเราะอะไรเป็นสมถาอะไรเป็นวิปัสนาอะไรเป็นอ่สติอะไรเป็นศีลมีสติแล้วเกิดศีลอย่างไงหรือว่าเป็นศีลสังคมแล้วเกิดสติอย่างไรเราจะรู้ชัดถ้ามีสติแล้วเกิดศีลแสดงคุณมีความรู้สึกตัวชัดะกระทบสัมผัสรู้สึกตัวในชัดมากะอันเดียนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเคยทําดีไม่ดีมาขนาดไหนก็ตามขอใมีความรู้สึกตัว จะกินเหล้าเมายาเที่ยวเต่เล่ร่อนจิตจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะทําผิดมาขนาดไหนมันแล้วก็แล้วไปมันจะมารู้สึกตัวนะเรียกว่าตัดกรรมทันทีนะคุณมีสติ ร, รู้ความรู้สึกตัวแล้วจะเกิดศีลปรากฏขึ้นมานะคุณจะเข็ดหลาบไปเลยนะเพราะว่านะความคิดไม่ดีจะพุทโพลขึ้นมานะอันนี้คือจิตมันจะแดงความไม่มีสีออกมาแต่เราพยายามนะใช้จิตสํานึกปัจจุบันเนีนะ้แก้ตัดทันทีตัดกรรมทันที เสร็จแล้วมันจะชวนให้เราปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะอย่างอยู่สิ่งแวดล้อมแบบนี้จะมีกาลยามิรเดี๋ยวกาลยามิคมมาคอยดูแลเราบางทีหลวงพ่อเห็นคนไหนอ่อนแอจะวิ่งใส่คนนั้นเห็นคนไหนที่ติดอารมณ์หลวงพ่อจะเดินไปใกล้ๆเชียดอันเดียจะทำให้เราคลายออกจากอารมณ์ทันทีเราสังเกตครูบาอาจารย์เอาคราวนี้พอเรามีความรู้สึกตัวปั๊บนี่ยมันก็เกิดสียปลากรคือจิตปกติเกิดขึ้นมา แต่คนไม่มีศีลนะก็คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมนะไม่มีศีลอยู่กับวงการว่านั้นอยู่กับวงสุราอย่างนี้นนะหรือว่านะทําอะไรร้ายๆลงไปมากมายผิดศีลผิดธรรมพอมาอยู่สังคมนี้มันเป็นสังคมของผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะเป็นสังคมมีศีลมันก็เกิดศีลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกายสักุลบุตร จะสากรบดบนทุกเนอทุกเนาะทุกเนาะอย่านะไปเจอพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเธอขาดบนนุญเนะให้เธอทําบุญสมัคอะไรมีผลของการทําบุญก็คือขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แต่พอขึ้นสวรรค์ต้องเห็นว่าอันนี้มันคือความทุกข์ความสุขก็คือความทุกข์ด้วยเหมือนกันก็ให้แน่กรรมะนําริออกจากการมทั้งหลายการมสุขการมสุขวัตถุกรมคุณอนี้นะเสร็จแล้วพอนํารีออกมาก็คือให้เธอฝึกสติปัฏฐานสี่ เพราะฉะนั้นคุณติดดีคุณก็ต้องมามีศีลคุณติดชั่วคุณก็ต้องมามีศีลก่อนติดดีติดชั่วของสองตัวมาปกติก่อนนะพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วนะเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่แล้วจิตมันปกติอยู่แล้วอันนี้สตินะทําให้เกิดศีลศีลนะทาให้เกิดนะต่อมาก็คือปิติใจนะหรือว่านะเกิดความอิ่มขึ้นมานะคนที่มีศีลจะอิ่มนะ อิ่มออิ่มใจถ้าใครรู้สึกว่าเหว่หรือว่ารู้สึกว่าเหงารู้สึกว่าเปลี่ยวใจรู้สึกว่าเดียวดายแล้วก็มีสภาวะของความอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องหาวัตถุห น, นึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสอง้สามตรนี้ก็แสดงว่าเออตรงนี้นเราต้องแสวงหาศีลเข้ามาใส่ตัวต้องการเพื่อนต้องการกายามิตรที่เป็นภผยเราแต่พอมาถึงความรู้สึกตัวที่เป็นภายในปับ๊บกายของเราใจของเราสติที่มันเกิดขึ้นมาตัวมันเป็นลนักษณะของสติ ที่ทําให้เกิดกลายเป็นปกติแล้วก็ใจเป็นปกติเดินทางทันทีอันนี้ต่างกันสติทําให้เกิดศีลแลศีลทําให้เกิดสติการที่อยู่ภายนอกแล้วเข้าวัดอันนี้ศีลทําให้เกิดสติรับศีล8ปดศีลห้าหรือว่าศีลสิบจากพระอย่างนี้อันนี้คือมารับศีลแล้วเราก็ไขว้ครวญดูว่เออมันคืออะไรแต่พอถึงตัวกรรมฐานฝึกสติป๊บอันนี้มันเป็นสติศีลปรากฏและศีลเป็นบาดฐานของสมาธิ ก็คือรู้อยู่อารมณ์เดียวรู้ต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วไท้ายสุจะเกิดสัมผัสปัญญาขึ้นมาก็คือมันเกิดทันทีที่รู้ตรงรู้ชัดรู้เป็นปัจจุบันแล้วเกิดความเป็นปกติหล่อเลี้ยงแล้วสังเกตรู้ซื่อๆรู้เฉยๆด้วยนั่นเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเทคนิคปฏิบัติขึ้นมาก็คือให้รู้เป็นปัจจุบันหลวงพ่อเทียนท่านพูดอย่างี้ให้รู้เป็นปัจจุบันรู้เฉยๆรู้เฉยๆถ้ารู้เป็นปัจจุบันแล้วรู้อย่าไปหา หาอะไรละเอียดให้รู้เฉยๆสัมผัสเฉยๆไม่ต้องเอาความคิดลงไปใส่ในสิ่งที่รู้อย่างน้นะแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องเชื่อมโยงอันนี้เปรียบเหมือนก็ว่าการต้มน้ำถ้าเราต้มอยู่สี่สิบห้านาทีเราเดือดความร้อนพอดีพดีมันเดือดร้อยองศาเศษเศษหรือว่าสูงกว่า น, นี้เอาไปต้มลวกเชื้อโรคได้ ว, ว่าต้มอะไรมันก็สุก พอที่จะรับประทานได้อย่างนี้นะต่อมาก็คือถ้าเราต้มหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วก็หยุดหนึ่งนาทีแล้วก็หยุดความต่อเนื่องมันไม่มีน้ำก็ไม่เดือดต้องต้มใหม่อยู่ตลอดก็เหมือนกับเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะสี่สิบวันลองดูมันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงนะจิตมันจะเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติที่มันควรเข้า สมควรแก่การปฏิบัตินะควรเป็นควรได้ควรมีนะไม่อยากรู้ก็รู้ไม่อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเป็นก็เป็นนะอย่างหลวงพุทเทียนพูดเมื่อวานเนี่นะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันทําให้ต่อเนื่องสิ่งนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดการวางกายวางใจขึ้นมาเดียวมีความเป็นกลางวางใจกลางๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมี ครูบาอาจารย์ท่านพูดเป็นแผนที่ให้ข้างหน้านิดนึง น, นิดนึงนนนก็เราก็รู้ไว้เฉยเฉะนะแต่ว่าไม่ใช่อยากเป็นอย่างที่ท่านพูดนะนะหรือว่าอยากรูนะ้ไม่อยากรู้ว่าเออไอสิ่งเนี้ยมันเป็นยังไงถ้ามันเป็นแล้วที่ตัวเรามันจะเป็นยังไงไม่ต้องมาอยากรู้มันให้เคลื่อนไวหวรู้สึกให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วทยสุดไม่อยากรู้ก็ต้องรู้อะไม่อยากเห็นมนก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นมก็ต้องเป็นนะ ก็คือความทุกจะลดลงของมันเองอะรู้สึกตัวทุกครั้งทําไปเรื่อยๆพยายามอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยสังรวมตาโหจะหมือนลิ้นกายใจประมาณในบริโภคอะประมาณในการบริโภคเราก็ได้เห็นว่าโอ้ความรู้สึกตัวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นไม่คุกคีไม่ฝุนขวายอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีสังเกตดูเมื่อวานนะขอพูดต่อยนิดหนึ่งจะครบสี่ห้นาทีแล้วก็คือ บางคนบางท่านเราก็ทำทางเดินจงกรมไว้ให้แต่ว่าพอเราเดินไปสักพักหนึ่งพอเราเดินจงกรมเดินไปเดินไปเราก็ได้เห็นว่าเออบางคนบางท่านเนี่ยก็ลงมาเดินบนพื้นดินซึ่งคล้ายๆกับมีอิสระนะไม่มีขอบเขตอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมและอัตมามองว่าถือเป็นการสอบตกแล้วสอบตกแล้วก็คือเราเดินบนทางเดินจงกรมเนี่ย จิตของลำไม่ได้ปรับตัวเข้าสถานการณ์ที่อยู่เป็นสิ่งแวล้อมเหตุปัจจัยเมย่อจะดึงทําตามใจตัวเองพอทําตามใจเองเมดึงมาเหยียบย่ำข้างล่างซึ่งเป็นพื้นที่นอกจากกรอบกฎกติกาที่กําหนดเอาไว้นะอนี่อันนี้เราเดินอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้างั้นนะเดินอยู่ที่บ้านแล้วเดินชอปปิ้งอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นสถานที่ไปได้ทั่วๆนะะ ถ้าเป็นการฝึกหัดจิตตัวเองนะก็คือกลมกลืนเข้ากับสถานที่นีย่ยลองดูพอใจมันกลมกลื่อนปมันจะเกิดลักษณะของความเป็นกลางเกินมากับทุกๆอย่างกลมกลืนกับคนที่เราไม่ชอบกลมกลืนกับสภาวะที่มันบีบคั้นต่างๆสายลมแสงแดดเลือสัตว์สาราสิ่งอย่างนี้ลองดูสิแต่ว่าถ้าใช้เป็นการแก้อารมณ์นี้ได้นะเช่นเดินในกรอบ ของทางเดินจงกรมแล้วมันเกิดสภาวะความง่วงขึ้นมาเงี้มันง่วงแล้วมันแก้ไม่ไหวจริงๆอ่ะลงมาเดินกําลังรู้สึกมันหายง่วงก็ลองดูแต่หายง่วงเสร็จปั๊บให้เกิดขึ้นให้ให้เดินขึ้นมาข้างบนอีกกลับขึ้นมาอีกทีนึงหรือว่ามันฟุ้งซ่านมากๆนะะลองลงมาสักนินหายฟุง้งกลับขึ้นไปอีกทีลองใช้เป็นเทคนิคการแก้อารมณ์นะใช้สิ่งแวดล้อมบุคคลหรือว่ากฎกติการกรอบต่างๆนะเป็นการฝึกหัดจิตของเรา ก็ทำหมือว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอไม่เป็นไรแล้วน่ยนะเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนนะพอใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนเนีเราก็เป็นอิสระแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะนินทาเรานะอาจจะว่าเราอย่างเช่นผมเล่าตมาทุกวันนี้ไม่บินนบัแล้วก็มีคนตำหนิอยู่แต่ว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เท่านั้นเองพยาย้ามกลับไปทําบินนบัดเราทําได้อยู่แต่ว่าให้คนมาทํามาตรงนี้แทนทีหนึงแทนที่ตรงนี้ยนะเช่นตะเวนวัดนะช่วงเขา เดินบาทคนไม่อยู่นะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบางบุคคลไหนที่เข้ามาแล้วก็ตัดสมุนไพรแล้วตีวตพึ่งหรือว่าทําอะไรอีกมากมายเหลือเกินบางทีขโมยขึ้นกุฏ่นะบอกให้ขโมยขึ้นกุฏิเมื่อก่อนในเวลาบินาบาดนะจะมีขโมยล่างเล็กๆดําๆมาอยู่เนี้ยบางทีก็แฝงมาในข้าวของของสมณเณรก็มีพระก็มีแฝงเข้ามาพกแฉลงพกอะไรบา ง, งัดกุดฏิมีแล้วเจอมาแล้ว ภาพแปลกๆแปลกหน้าเข้ามานละ้วเวทีก็มาตัดสมุนไพรนะเก็บรมเนี่ยเงียบไม่มาตักอาหารเงียบพอเก็บปลอมเสร็จนะแบกถุงปุ๋ยกลับครข้างในมีแต่สมุนไพรอย่างนั้นเลยไม่มีใครรู้ยาหัวใหญ่พวกเนี้ยขุดเอาหูกําลังวัวเถลิงตาแห้งไว้เรียบร้อยแล้ววันละนิดวันละหน่อยแบกลงไปไม่มีใครสังเกตหรอกรู้ว่าบางทีนะมันมีอะไรหลายอย่างคนติดลมยามเช้าก็มีนะเช่นไม่ไปตักข้าวนะเก็บรมเข้มกัน เสร็จแล้วติดอารมณ์นะแล้วก็กลายเป็นเรื่องเปลาวมากมายแล้วกันนะตรงเนี้ยก็ต้องแก้กันให้ทันบางทีก็หัวเราดังๆดงีก็วิ่งไล่กันเหมือนกับต้องจับกันก็มีก็คือติดอารมณ์ได้แล้วใครจะอยู่ช่วยกันนะมัต้องแก้ไขช่วยกันนะคนที่รู้ก็เห็นว่าเป็นจุดอ่อนก็เติมเต็มให้กันนะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะนั้นเราก็จึงนะใช้ ตรงไหนที่เป็นรูรั่วชุดอ่อนแล้วก็แทกแทกเข้าไปทำทันทีนเรียกปิดทองหลังผ้าก็ว่าได้มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องช่วยกันในชุมชนนี้นแต่ที่สำคัที่สุดก็คือช่วยกันเคลื่อนไหวหรู้สึกตัวปฏิบัติธรรมนั้นน ะ, นะมันจะช่วยให้สังคมของเราย่มอมร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่ชวนกันสู่ทางพ้นทุกข์จริงๆในภาคปฏิบัติการนในรูปแบบหรือว่านอกรูปแบบเก็บรบเข้มหรือว่าสามารถที่ช่วยโอกาสเก็บตกได้ตลอดเวลาเวลาตรงนี้นะ อ่ก็พูดให้ฟังนะเพื่อเหมือนกับเป็นส่วนประกอบนะกับการประพฤตปฏิบัตินะต่อไปก็ขอให้เหมือนกับว่าน้อมเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยก็พอะนะเข้ามากระทําเช่นมีสติรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงทีแล้วก็อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นกํลาลังสอนเรานะปฏิยาต่างๆอาการภายนอกภายในหรือว่าอาการของรูปธรรมนามธรรมกำลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาเวลาแม้กระทั่งขณะนี้ก็ตาม ก็ขอยุติการพูดเพียงแค่นี้กราบพะพร้อมกัน